วันนี้เป็นวันพระตรงกับวันที่28เมษายนพุทธศักราช2555เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน6ถ้าไม่8 2โหนก็นี่แหละวันพระหน้าเป็นวันวิสาขาปูชาแต่นี่เป็นปีนี้มัน8 2โหนคงจะเป็นข่าวหน้าหรือวมั้ง จะเป็นวันวิสาขบาูชาถึงจะเป็นวันไหนก็ตามไม่วันพระแจะไม่วันพระจับไฟร้อนทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วอย่างเก่าอถ้าวันพระกินข้าวไม่อิม่มหปือกินข้าวอิม่มถ้าวันธรรมดากินไม่อิม่มไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นจับไฟวันพระร้อน ่ไปธรรมดาไม่ร้อนก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นวพานั้นถึงวันพระและไม่วันพระก็าตามการสร้างคุณงามความดีและว่าการสั่งสมบุญกุศลเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายควรจะทําให้สม่ำเสมอการไหว้พระสวดมนต์ก็เหมือนกันทุกวันจะได้ขาดสวดมนต์ตามลำพังไม่ใช่ว่าจะมาสวด ร้อมกันเฉพาะวันพระเท่านั้นวันธรรมดาเราก็ไหว้พระสวดมนต์สม่ำเสมอแล้วก็พร้อมกันเรื่องนั่งภาวนาในสาคัญเราจะได้ขาดเรื่องนั่งภาวนาหลวงพ่อบอกแล้วสอนอีกถ้าเราลุกตื่นขึ้นมาเวลาใดกลางคืนเราก็นั่งเลย นั่งภาวนาถ้าไม่โงกไม่งว่วงแต่มันโงกมันงว่วงเอออันนั้นก็เอาพักซะแต่ถึงยังไงจะให้มันพักอยู่ตลอดก็ไม่ได้ต้องฝืนมันอีกเหมือนกันมันงว่วงทั้งคืนจะได้เหรอก็ต้องมีการบังคับตัวเองบ้างไม่ใช่บ้างล่ะเอาจริงจังล่ะบางทีก็ลงเดินจงกลมบ้างบางทีก็เป็นนั่งอภาวนาอยู่ในที่กลางแจ้งบ้าง สรุปแล้วก็คือต้องฝึกตนเองพยายามฝึกตนเองเดินอย่างกลมถนนหนทางที่เราทําคอนกรีตกลางคืนไม่มีใครเที่ยวใคยเดินอยู่แล้วนานที่จะมีคนเที่ยวคนเดินเราไปเอาไม้ขวางไว้ทั้งสองข้างกําหนดเลยเส้นทางเราจะเดินย่งกลมเราจะเดินทั้งคืนก็ได้ นี่แหละถ้ารู้จักวิธีการปฏิบัติกับตนเองวิธีการปฏิบัติเราไม่ต้องไปหาที่ไหนหร อ, อกเื่องภาวนามันอยู่กับตัวของเราทั้งนั้นอยู่กับตัวของเราจะเดินยองกลมก็ให้มีสติในการเดินจะนั่งภาวนาก็ะให้มีสติในการนั่งมีสติในนั่งเวลานั่งนั่งเดินยืนนอน อริยบททั้งสี่ยืนจนนั่งนอนทําได้แต่ว่าการนอนหลวงพ่อไม่เคยแนะนําพอนอนเข้าไปด้วยมากมันหลับแต่ครูบาอาจารย์บางท่านไม่หลับนะอย่างหลวงปู่ราษฎร์ท่านว่าท่านนอนภาวนาได้นานทีเดียวไม่หลับนอนภาวนาไม่หลับสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอด แต่โดยมากพวกเราน่มันดับจึงไม่แนะนำในการในการนอนนอนภาวนาได้ไม่ได้นอนภาวนาก็ได้อริยบทสยืนเดินนั่งนอนก็มีอยู่แล้วแต่มันได้ผลน่ะตัวไหนได้ผลมีแต่นั่งกับเดินได้ผลยืน ก่อนรู้สึกจะงอเงินพอมันยืนขึ้นมามันปวดขายืนแล้วงอนเงินมันจะล้มมันจะเวียนชี้ศะลักษณะอย่างนั้นตรงหลังต้องพิงไม้กระดานท่านเดินจงกลมในครั้งพุทธกาลพอเดินไปสุดทางจงกลมแล้วก็ตีไม้กระดานพิงกับตุนไม้จากนั้นก็ไปยืนพิง เอาหลังพิงไม้กระดาษภาวนาเวลาเดินถ้านั่งเราจะหลับมันอยากจะหลับให้มันหลับทั้งยืนดูสิอันนี้ก็เป็นการภาวนาส่วนหนึ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เราต้องทดลองทั้งนั้นหลวงพ่อบอกว่าเดินโมมันงงเงยนเราทดลองที่มันงงเงยนจริงไหมก็ไม่เห็นจะเสียหายที่ตรงไหน บางเราอาจจะถูกจะติดกับเราก็ได้ถ้าเรานั่งแล้วก็หลับนอนแล้วก็ดับบางทีได้แต่เดินถ้าเดินก็เออมันอาจจะมันเคลื่อนอริอรยบทมันเคลื่อนไหวมันอาจจะทำให้ใจของเราวอกแวกไปตามการเคลื่อนไหวแต่เรานั่งมันก็อยากจะหลับทดลองยืนดูซิ ถ้ายืนมันมันนิ่งร่างกายมันนิ่งมันไม่ได้เคลื่อนไหวเหมือนกับเดินแล้วก็ขาของเราก็ยืนอยู่นะหลังแล้วก็พิงฝากระดานแล้วพิงต้นไม้อยนะกกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโตเวลาเดินก็เหมือนกันถ้าเดินก็เอาขาขวาพุทธขาซ้ายโธ เวลานั่งกำหนดลมหายใจเข้าพุดหายใจออกโทแต่ทำไมเราจึงไม่ทำเหมือนกันเราจะทำเหมือนกันได้ยังไงในการเดินการเดินหายใจเข้าหายใจออกอยุ่แต่เราทำไมไม่กำหนดลมหายใจในขณะที่เดินในขณะที่เดินากำหนดลมหายใจเนี่ยรู้สึกจะสับสนนะแต่บางคนก็าทำได้ถ้าหากเคยทำนั่งภาวนามีอริยบทต่างๆยืนเดินนั่งมาแล้ว นั่งยืนนอนมาแล้วเดินอาจจะมีส่วนในการกำหนดลมหายใจก็ไม่ผิดกติกาจะกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ได้ในขณะเดินแต่โดยมากครูบาอาจารย์แนะนำท่านบอกว่ามันสับสนในขณะที่เดินเดินกำหนดลมหายใจเข้าออกโดยมากมันสับสนสู้กำหนดกับเท้าไปได้เดิน กับขาขวาฝ่าเทีงของเรายกขึ้นมา้ก้าวไปขาขวาพดทธขาซ้ายโถเพราะมันก้าวย่างอยู่แล้วในร่างกายร่างกายของเรามันก้าวย่างมันเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวตรงไหนเราเอาตรงนั้นขาขวาพดขาซ้ายโถแต่ถ้าเรานั่งะมันขาขวางมันไม่ก้าวใช่ เราจะทํายังไงกับมีตะลมหายใจเข้าหายใจออกที่มันเคลื่อนไหวเราก็กําหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแต่เวลาเราเดินขาของเราก็นิ่งกําหนดเมื่อนิ่งแล้วม่นเกิดกําหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถลมหายใจเข้าออกเวลาเรานอ น, อนเราก็นิ่งอีก มีลมหายใจที่มันเที่ยวเข้าออกที่ปลายจมูกของเราเพราะเรายังไม่ตายถ้าคนตายแลย้วหมดหมดลมลมไม่เข้าลมไม่ออกแต่ยังไม่ตายเนี่ยต้องลมเข้าออกที่ปลายจมูกของเราเราก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเหมือนกันเวลานอนแต่นอนนอนท่าไหนนอนตะแคงสีหสาสยญาตตะแคงขวานอนตะแคงขวา อันนั้นคือนอนภาวนาอันนั้นคือครบยศถูกสูตรว่ากันถูกสูตรที่พระพุทธเจ้าพระองค์ประทับนอนสีหาสายญาติคือนอนตะแคงขวาแต่บางคนก็บอกว่าทุกวันนี้ยังมีคำถามขึ้นมาว่าการกำหนดก้าวเดิน มันเป็นการเก็บจ้ำเอาพระพุทธเจ้าลงไปในใส่ฝาตีนของเองมันจะเหมาะสมเหรอือนะมีคําถามขึ้นมาอีกกิเลสมันแย้งมันขี้เกียจเดินโยงกรมมันหาเรื่องหลวงพ่อก็บอกว่าจะเป็นหัวกว็าตามจะเป็นเท้าก็าตามใครเป็นผู้กําหนดว่าเท้าสูงเท้าต่ําหัวสูงใครเป็นคนพูดเท้ามันพูดใช่ไหม ถามเทา้าตัวเองเลยสิเทา้ามึงต่ำใช่ไหมหรือมึงสูงหัวแก่สูงหรือแกต่ต่ำมันก็ไม่ตอบทางนั้นสรุปแล้วเราเป็นผู้ให้สมมุติสมมุติว่าหัวมันสูงเทา้ามันตำ่ำในเมื่อเราสมมุติแล้วอย่างนั้นมันก็ไม่ได้วันมันสูงมันตำ่ำทั้งสองอย่าง เราจะให้ความสําคัญแต่หัวอย่างเดียวว่ามันสูงเราก็ตัดขาทิ้งเิหัวมันจะดีไหมไปได้ไหมหัวมันก็ไปไม่ได้อีกเหมือนกันมันก็จอดอีกเหมือนกันนะมันจะไปเก่งเมื่อมันหัวดีตัดขามม่ออกเนะี่ยเป็นยังไงฮะจะว่าเท้าเก่งฮะตัดหัวอีกทิ้งอีกขามันก็หยุดอีกเหมือนกัน สรุปแล้วร่างกายของเราทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าสาคัญ้วยการทั้งหมดสูงด้วยการทั้งหมดตด่ําดยการทั้งหมดเป็นอสุภะโดยการทั้งหมดเป็นปฏิกลด้วยกันทั้งหมดถ้าปฏิบัติก็เป็นมักเป็นผลที่จะนำไปสู่มักผลนิพพานได้ทั้งหมดทั้งเท้าทั้งหัวเสมอกันีน่ยสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดนะ วัา น, นั้นเวลาการภาวนาและการเดินโยมกลมก็าตามตรงไหนที่เคลื่อนไหวเอาตรงนั้นกําหนดลมหายใจในขณะที่นั่งหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติสัมปชัญญะสติตัวนี้แหละสําคัญถ้าว่าขาดสติเมื่อไหร่สติของเราขาดเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละไม่ใช่ภาวนาแหละนั่งคิดนั่งอ่านนั่งหลับ นั่งปุ๋งนั่งปุ๋งนั่งซานนั่งอะไรก็ไม่รู้กิปัฏฐานร้อยแปดถ้าสติอยู่กับตัวเองนั่งแล้วสติอยู่กับตัวเองกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติหรือมีสติอยู่ในกายขณะนี้เรานั่งมีสติอยู่ในกายมีความรู้สึกอยู่ในกายถึงจะไม่ได้กำหนดลมก็จะมีความรู้สึกอยู่ในกายอันนั้นก็คือภาวนาเหมือนกัน สติอยู่ในกายมีสติสัมปชัญญะอันนี้ก็คือภาวนาแปบลบว่ามีสติอยู่กับตัวเองถ้าสติขาดเมื่ อ, อไหรเมื่อนั้นแปบลบว่านั่งเหมา่นั่งลอยอนั่งคิดนั่งอ่านแต่อากับกิริยาเหมือนนั่งภาวนาแต่ในใจนั้นเออระเหยลอยลมไปที่ไหนก็ไม่รู้คิดปุ่มฟุ้งไปที่ไหนก็ไม่รู้ อันนั้นไม่ใช่ภาวนานั่งคิดนั่งลอยนั่งคิดนั่งหลับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้ถามตนเองอย่าไปทวงผลเรานั่งภาวนาโนมนานเท่านั้นเท่านี้แต่ผลมันออกมาทาไมเป็นอย่างนี้อา้าววิธีการนั่งเราเดินมักถูกต้องไห ม, มเวลาไปปลูกข้าวนู่นไปปลูกจะก้อนหินน่น แล้วมาทวงว่าทำไมข้าไปเจ้าปลูกข้าวมาตั้งนมนานตั้งหลายปีทำไมจึงไม่ได้ผลมันจะได้ผลยังไงเพราะตัวเองไปปลูกข้าวจะหินดานไปปลูกข้าวสยหญ้าคากลุ่มหญ้าไม่ดูไม่แลไม่รักษาแล้วมาทวงผลจะทวงผลได้อย่างไรเพราะตัวเองทำไม่ถูกถ้าว่าตัวเองทำถูกก็นี่กำหนดลมอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านกล่าวให้มีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติสัมปะชัญญะในการก้าวเดินให้มีสติสัมปะชัญญะความรู้สึกอยู่ในตัวตลอดเวลาทำรู้ซิถ้าทำาะไรอย่างนี้แล้วใจอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แล้วไม่ได้ผลจิตไม่สงบอ่า ไม่ได้ผลอะไรแต่มีสติโตอยู่ตลอดรู้อยู่ตลอดเวลาอันนั้นยังค่อยมาทวงผลเหมือนกับเราปลูกข้าวลงในนาทำถูกวิธีทุกอย่างแล้วไม่ได้รับผลมันไม่มีหรอกปลูกข้าวในนาก็ต้องได้รับผลนี้ก็เหมือนกันภาว น, นาถ้าทำถูกวิธีทาถูกตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนาแล้วไม่เป็นอย่างอื่น จิตใจของเราก็จะได้รับความสงบ เ, เยือกเยน็นนิ่งจิตใจมีความสุขจนถึงอัปป น, นาสมาธิเป็นขั้นตอนคณิกาอุปจาระอัปป น, นาไม่ต้องหาที่ไหนไม่ต้องถามใครถามตัวเองเท่านั้นนี่แหละในเมื่อเราผ่านสมาธิจิตใจของเรามีสมาธิดีผ่านสมาธิ หรือว่าจิตใจเขาสู่ความสงบเป็นพื้นฐานพอส่งวรแล้วเราจะเดินวิปัสสนาออกทางวิปัสสนาใช้ปัญญาพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลอย่างอื่นก็เป็นปัญญาที่แท้จริงเพราะจิตใจไม่หิวโหวยไม่ปุง้งไม่ฟุง้งไม่ซ่านจิตใจไม่กระวลกวายจิตใจไม่ออกนอกรูนอกทางจิตใจมันนิ่งเมื่อใจนิ่ง ใจอยู่กับตัวเองสงบผ่านความสงบแล้วจะนำมาพิจารณาเกษาโลมานาขาทันตาตาโยเกษาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเองกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจตับพังผืดอะไรก็จะเห็นได้ชัดเพราะเหตุไรเพราะผ่านความสงบมาแล้วถ้าว่าจิตของเรายังไม่ผ่านความสงบ มันยังทะเลทลายเหมือนกับเราใช้เด็กทำงานอย่างนั้นเด็กไม่มีสมาธิในการทำงานให้อ่านหนังสือก็อ่านพอมุมบุมบ ม, มับสองคำแล้วก็ไปแหละไปที่ไหนเขาไม่รู้จับมาอีกให้มันนับเงินอีกนับสองสามสี่ห้าบาทมันก็ไปทางอื่นอีกแล้วจะเป็นยังไงเพราะเหตุไรเพราะเด็กสมาธิอ่อน เด็กไม่มีสมาธิในการทำงานนี้ก็เหมือนกันใจของเราไม่ได้ฝึกให้แน่วแน่ไม่ได้ฝึกเป็นสมาธิมีแต่จิตใจของเราปุงฟุ้งซ่านเราจะจับมาทำการทำงานได้มาพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุผลมันเป็นไปไม่ได้มันจะขมุกบขมับหน่อยเดียวมันก็ไปแล้วเพราะนั้น เรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งส่วนหนึ่งเมื่อจิตใจของเราผ่านความสงบแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นเกิดปัญญาที่แท้จริงเห็นร่างกายของเราชัดเจนจะพิจารณาตรงไหนในร่างกายที่พระพุทธเจ้าสอนว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราร่างกายใ้เกิดแก่เจ็บตายก็เห็นได้ชัดตายจริงๆเกิดขึ้นมาแล้วแก่จริงๆ อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเปรียบเทียบนอกก็คือเราเห็นคนอื่นคนแก่เปรียบเทียบในก็ดูตัวเองเป็นทุกวี่ทุกวันสมัยก่อนเราเป็นเด็กแต่บับนี้เราเป็นยังไงการเป็นอยู่การขับการถ่ายการหลับการนอนการอยู่การฉันการเดินเหินไปที่ไหนมันเหมือนตะกอดไหมไม่เหมือนเพราะอะไร ตัวเองแก่ใช่ไหมถึงจะยอมรับหรือไม่ยอมรับว่าตัวเองแก่มันก็แก่อยู่แล้วตามธรรมชาติของมันถึงตัวเองยอมรับว่าตัวเองจะตายแล้วไม่ใหญ่ตายร่างกายมันก็จะตายวันยังค่าทั้งถึงคราวมให้ยอมรับดีกว่าให้เห็นตามความเป็นจริงดีกว่าเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วนั่นนะจะเกิดปัญญาเราจะปรับปรุงแก้ไขกายใจของเราอย่างไร อันนี้เป็นหน้าที่ของเราจะต้องพิจารณาละพิจารณาร่างกายเมื่อเห็นร่างกายของตนเองแล้วเห็นะร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเป็นยังไงถ้าร่างกายของเรามีแต่อสุภาะถ้าเราไม่อาบน้าสักวันสองวันเป็นยังไงเหงื่อออกแล้วมันเป็นยังไงร่างกายของเรามีแต่สิ่งปฏิกูลไหลออกจากถาวรทางกาว ขี้ตาขี้หูขี้จมูกขี้ฟันขี้ลิ้นแล้วก็ขี้ใครอุจจละปัสสวะล้วนแล้วแต่เป็นที่ไหลออกของสิ่นปฏิกูลสรุปแล้วก็เหมือนท่อไอเสียใส่ติดเครื่องน้ำมันขึ้นมาแล้วก็มันออกท่อไอเสียท่อไอเสียมันเป็นไงท่อไอเสียรถ มันดำใช่ไหมมันเป็นควันใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเราเนมันออกมาจากทวารทั้งเก้ามันเป็นควันมันของปฏิกูลออกไหลออกจากทวารทั้งเก้าไม่มีที่ไหลออกไหลออกร่างกายถ้าคนปัสสาวะไม่ออกอย่างนี้อุจจละไม่ออกอย่างนยมันมีออกมาทางผิวหนังงกลิ่นเหม็นไปหมด อันนี้เราก็พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ให้ยกยอป้อปั้นไม่ให้ทาให้เลิศประเสริฐให้เห็นตามความเป็นจริงเป็นจริงยังไงให้เห็นอย่างนั้นในเมื่อเห็นร่างกายตัวเองกับร่างกายคนอื่น่ะเป็นอย่างเราไหมไม่แพ้กันอันเดียวกันเมื่อร่างกายของเราเห็นอย่างนี้แล้วร่งร่างกายคนอื่นก็เป็นอย่างเดียวกันเราทํำไม่ เราจะมาติดอยู่ในร่างกายอีกสักวันร่างกายของเราจะต้องเผาไฟทิ้งใช่ไหมเราจะต้องเขาต้องเอาไปเผาไฟใช่ไหมใช่เราก็ต้องถามว่าใช่ใครว่าใช่อะไรเป็นเผาไฟร่างกายเผาไฟแต่ใจนี่นามธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญอย่างมากคือคือนามธรรมขุดตัวนักคสเนะี่ย ตัวรู้ๆอย่งตัวนั้นน่ะตัวนี่ตัวการใหญ่เยหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านไม่ให้ความสำคัญเรื่องของกายนะกายเนี่ยเป็นลูกน้องใจเป็นนายกายเป็นเบากายเนี่ยเป็นลูกน้องใจเนี่เป็นนายสั่งกายให้ทำอะไรถ้าร่างกายของเรายังปกติยังไม่พิกลพิการ ใจสั่งอะไรก็ทำได้เท่าที่จะทำได้ใจเขาพยายามฝึกเมือนก็เราฝึกม้าฝึกขับรถอย่างนั้นถักฝึกดีแล้วใกล้ๆหน้าผารถก็ไปได้เสียดไปได้ผ่านไปได้นี่ก็เหมือนกันถ้าใจของเราเข้มแข็งเราฝึกกายของเราให้ทำอะไรก็ทำได้ตาม เทาที่มันจะทําได้ให้ทําไม่ได้ก็มีไอาทำไม่ได้คืออะไรกระโดดเหวเลยจักร้อยเมตรเป็นยังไงกระโดดนั่งกระโดดได้แต่มันตกลงมาแล้วเป็นยังไงแหลกเลี้ยวไปหมดตายพ่อยอะไรมันเกินเกินความสามารถของร่างกายแต่ใจบังคับให้โดดเหมือนกับเราขับรถไปส่งอยู่หน้าป่า จานั้นปล่อยรถลงไปสิเป็นไงมันก็พังเหมือนกันคนไม่เป็นไรแต่คนลงไปด้วยกันนะะตลอกปอกเปิกอีกเหมือนกันคนจะต้องหนีออกจากรถเลยรถมันแตกแล้วนี้ก็เหมือนกันหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกกายเหมือนกับรถใจเหมือนกับคนกับรถ แต่ท่านให้มองใจใจเป็นหลงกายใจเป็นหลงกายหลงกายตัวเองและเป็นหลงกายคนอื่นเป็นหลงทรัพย์สมบัติไปหลงจศถาบรรดาศักดิ์ไปหลงสิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งหลายทั้งปวงหลงวัดวาศาสนาหลงว่าธุรษัทจัตตาราญาติโยมเป็นของตนเองถือว่าศาลาหลังนี้เป็นของเราหลงพออินทั้งหมด ศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาเป็นของทงพ่อทั้งหมดนะถ้ามันหลงกายแล้วมันจะหลงไปหมดทุกอย่างแต่เมื่อเราภาวนาดูใจของเราแล้วใจของเราดูกายของเราแล้วใจนะใจอย่าไปหลงกายนะอีกสักวันหนึ่งกายนี่จะต้องตายแตกสลายใช่ไหมใจใจมันก็ยอมรับใช่ เดี๋ยวนี้มาขนาดนี้แล้วอีกสักวันหนึ่งต่อไปภายภาคหน้านะตายนะใจนะแตกนะสลายแน่ๆนะร่างกายนะี่จะต้องไหลไปสู่ดินน้ำลมไฟนะให้แยกส่วนแบงส่วนเลยซิแยกไปซิแยกกายดยซิกำหนดดูถอนผมออกปนศีษะมังองไว้กองหนึ่งขนทุกเส้นถอดไว้กองหนึ่งเล็บถอดไว้กองหนึ่งฟัน อถอนฟันกองไว้เป็นกองหนึ่งทั้งฟันทั้งหมดสามสิบสองซี่กองไว้กองหนึ่งหนังทะลกออกมากองไว้กองหนึ่งเนื้อกองไว้กองหนึ่งเอ็นกระดูกเอาไว้เป็นกองตับลำไส้ปอดหัวใจร่างกายกองไว้เป็นฉุนฉว น, วนอาการสามสิบสองที่พระพุทธ เ, เจ้าอาการสามสิบสองของร่างกาย ออกกองไว้จุสิอันไหนเป็นของเราใจอันไหนเป็นของเราผมขนเล็บฟันอันไหนกองไหนเป็นของเราใจมันจะรู้ว่าถ้ารวมกันทั้งหมดมันก็เป็นของเราแต่ถ้ามันแยกส่วนแบ่งส่วนอย่างนี้จะเป็นของเราได้อย่างไรเพราะมันแบ่งส่วนมาแต ก, กออกจากกันแล้วจะว่าผมเป็นของเราจะว่าขนเป็นของเราก็ไม่น่าจะใช่ เพราะมันเป็นคนละกองละกองกันจนหนังที่กองอยู่เป็นของเราก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราเมื่อเราพิจารณาดูให้เห็นชัดเจนกันกองไตรตรองด้วยความรู้สึกของเราอยู่ตลอดเมื่อเราเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็เข้ามาหาใจอย่างเดียวไม่เป็นอย่างอื่นใจของเราไปรุ่มไปหลงไปให้ความสําคัญในเรื่องทั้งหลายทั้งปวง ไปหลงยศถาบรรดาศักดิ์ไปหลงเงินคำทรัพย์สมบัติไปหลงสามีภรรยาลูกหลานไปหลงญาติผี่น้องไปล้นไปหล ง, หลงที่พักพาอาศัยกุฏิศาลาศรัทธาญาติโยมว่าเป็นของตนเองแต่ขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้ยังไงใจเขามาหาใจอีกอย่าหลงน่าใจนะแต่เราอยู่ในสถานะไหน เรามีร่างกายเราอยู่อย่างนี้เราต้องพยายามทำให้ถูกต้องตามสถานะนั้นๆ น, น, นะใจนะอย่าหลงนะใจถ้าเราพิจารณาก่นกลองใ่ตองทบทวนอยู่เสมอใจของเรานก็มันจะมองเห็นใจของเราจะเป็นหลักใจของเราจะแกล่งใจของเราจะรู้เท่าการวางตัวของใจจะวางยังไงวางกายกับชุมชนสังคมอย่างไรกับใจของเราจะพูดยังไงจะทำยังไง ด้วยี่มันจะวางวางแผนในการเป็นอยู่ของตนเองในเมื่อเราพิจารณาไม่ลดละเห็นกายเห็นใจเห็นใจเห็นกายในเมื่อมันไม่หลงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันก็มองเข้ามาหาใจอีกที่เราจะชําระกิเลส น, นะชำระที่ไหนมันหลงอะไรกิเลสโลภโกรงมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในกายใช่ไหมอยู่ได้อย่างไงเพราะร่างกายมันจะต้องเผาไฟอยู่แล้ว มันหลงอยู่ในใจใจไปให้ความสำคัญเท่านั้นนะแสดงว่าใจไปให้ความสำคัญสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะไม้ใจใช่มันก็จะต้องตอบกันเลข้าพเจ้านี่เองไปให้ความสำคัญในเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเรื่องทั้งหลายทั้งปวงจรมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงจุงเยิงวุ่นวายโลกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยะเราให้ความสาคัญกาย เพราะใครไม่มองไปเห็นใจมองเห็นแต่กายเราก็ไปอยู่หมกอยู่เบื้องหลังของกายเอากายพูดออกไปกายก็ทำออกไปคนทั้งหลายก็เห็นกายพอเห็นกายท่านก็คนทั้งหลายก็เชื่อฟังกายตัวกายเชื่อฟังกันวาจาตววาจาก็โ ต, ว, ต ว, วาทะกันเป็นที่ยอมรับกันหึืเป็นพี่เกียรติชังกันกระสุดแท้แต่ไม่ใช่จะยอมรับอย่างเดียว เหยดชังก็มีตั้งยะแยะค่ากันเพราะวาจาก็มีมากมายเพราะตกลงพูดไม่ไม่ลงรอยกันสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องดูใจใช่หพอหันหน้าเข้าหาใจดูใจของตนเองเลยใจไปหลงสิ่งต่งางๆตั้งปวงใช่ไหมมองใจย้อนดูใจใจดูใจนี่แหละใจดูใจเสร็จแล้วมันมีอะไรใจถ้ามันดีใจ ใจก็เบิกบานถ้ามีอะไรมากระทบใจใจมันดำใจไม่พอใจมันก็ใจอับเฉาพองใสเออผองใสขึ้นมาแล้วก็เศร้าหมองลงไปแล้วก็พองใสขึ้นมาแล้วก็เศร้าหมองลงไปถ้าเราดูถ้ามีสติมีปัญญา นิสติสัมปชัญญะมหาสติมหาปัญญาที่ละเอียดอ่อนกำหนดดูใจของตนเองจุดนี้เราจะเห็นได้ชัดสรุปแล้วก็คือใจของเราเป็นเป็นเรื่องราวมันไปให้ความสำคัญเพระพอไปติยินทางหูทางจมูกทางเล่นทางใครเปิดประตูออกไปทางทวันและทางห้าไปเจออะไรเข้ามาเจอหูได้ยินเสียงเป็นพพเพราะเาขายกย่องสรเสิงแบบฟูขึ้นมา ดีใจถ้าเขาด่าเข้ามากใจเศ้าหมองเสียใจจมูกริ้นกายก็เช่นเดียวกันสรุเแราวก็คือมันส่งเข้ามาหาใจทั้งหมดใจของเรารับเรื่องทั้งหมดทั้งกายทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายมันรับเรื่องเข้ามาสู่ใจถ้าสิ่งที่พึงปรารถนามันก็เปิดรับดีใจผ่องใส ถ้าสิ่งไหนที่ไม่พอใจอย่างไฟไหม้น้ำร้อนลวกมันเปิดไปทางกายสัมผัสทางกายใจเมืเ่อเกิดห่อเหี่ยวเป็นทกุกข์อะไรเพราะมันเก็บมันปวดถ้าเย็นสัมผัสอุ่นอ่อนนุ่มนอนหลับสบายทานอาหารสบายร่างกายปกติดีใจมันเกิปดปลอดโปร่ง ผ่องใสเพราะว่าร่างกายได้รับความสัมผัสที่ดีเป็นที่พอใจร่างกายใจของเราก็ผ่องใส น, นี่กาสื่อสัมผัสทางกายทางตาก็เหมือนกันถ้าไปเห็นรูปที่สวยๆเราเห็นคู่คนที่สวยงามเป็นที่พอใจ เราก็ดีใจมันมันผ่องใสขึ้นมาแล้วมันดีใจแต่เขาดูทูกเยียดย้ำเราโมโหโกท้ายกับเราพูดอะไรให้เราเป็นที่ไม่พอใจใจของเราก็เศร้าหมองทุกข์ใจถึงจะมากหรือน้อยในเรื่องนั้นๆที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือออกไปจากใจของเราทั้ง เพาะนั้นทำคำสอนของพระพุทธเจ้าทาคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าปฏิบัติธรรมะขั้นสูงแล้วท่านจะให้มองใจของตนเองตลอดเวลาเลยติของเราสัมปชัญญะมองดูใจพอมองดูแล้วจะนี่จะทํำยังไงดูอันไหนที่เป็นของเรามันไม่ใช่ของเราสักอย่างในเมื่อไม่ใช่ของเรา เราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนเป็นของเราได้ยังไปล่อยว่างว่างว่างว่างไม่ให้ยึดไม่ให้ติดใ น, ใ, นใจว่างให้ว่างว่างกระทั่งใจว่างกระทั่งความรู้สึกทั้งหลายทั้งปวงอันไห น, นยังเป็นจุดเป็นต่องอันไหนยังมีการซ่อมหมองพองสายอยู่ อันนั้นละคือตัวพบตัวชาติจะต้องเกิดขึ้นมาอีกเพราะนั้นต้องวางต้องทำลายต้องวางธรรมะอนัตตาเรื่องทั้งหลายทั้งปวงมิใช่ตัวตนของเราใช้ธรรมะอนัตตาจุดนี้นั่นแหละธรรมะอนัตตาเนี่เป็นตัวล้างพบล้างชาติไม่ให้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ถ้าเห็นอเนจังเฉยๆมันก็ยังดูดูในระดับหนึ่งอย่างพระอัญญาโกนทัญญายังกินจิสมุทรยะธรรมวังสัรพัตนตังในโรธธรรมมันติเห็นจริงใด้สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสึ่งนั้นดับเป็นธรรมดาท่านก็ได้สำเร็จพระสูตรารันในธรรมจุดนี้สรุปแล้วก็คือไตรลักษณ์นี่แหละที่จะทําลายภพชาติจะได้สําเร็จพระสูตาสกทาาอนาคาอรหรัน คืไตรลักษณ์เพราะนั่นในพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ภาวนานให้ดูใจสรุปแล้วแต่แรกให้ดูกายซะก่อนถ้าปุปปับเข้ามาดูใจเลยเอาจุดจุดยอดเลยไม่ได้พอมาถึงจุดจุดยอดมันเข้าไม่ติดเพราะเหตุใดเพอะมันเข้ามาแล้วมันไม่รู้จะไปทางไหนเพราะสติของเราก็ไม่เข้มแข็งปัญญาของเราก็ไม่พร้อมเพราะนั้นเราต้องฝึกซ้อมร่างกายซะก่อนพิจารณาร่างกายซะก่อน ท่านจะว่าร่างกายเป็นหินลับปัญญาปัญญาจะเกิดจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องผ่านการพิจารณาร่างกายก่อนเพราะร่างกายมันหยาบมันเห็นได้ชัดของด้วยตาเนื้อก็เห็นหลับตาในใจกบหนดดูก็เห็นร่างกายแต่ใจของเราเนี่ยถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาสติของเราอ่อน จะจับตัวผู้รู้จะจับใจไม่ไม่ได้มองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นเหมือนกับตะคุบเงาอย่างนั้นก่ก็คิดว่ามันตะคุกถูกแหละแต่ที่ไหนได้มันเคลื่อนไปแล้วถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมีปัญญาเราจะตะคุบได้มันอยู่ในใจเลยแต่ใจในใจเลยรู้สึกอยู่ในรู้สึกเลยรู้สึกอยู่ในรู้สึกใจอยู่ในใจปัญญาอยู่ในปัญญาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ มีแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนำสั่งสอนเป็นผู้บอกกล่าวส่วนที่เราจะปฏิบัติอย่างไรมากน้อยแค่ไหนอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องเดินต้องปฏิบัติตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ปฏิบัตินั่นล่ะมรรคผลนิพพานไม่อยู่ที่ไหนนะอย่าไปหาที่อื่นแต่ที่อื่นก็เป็นที่ไปภาวนาเท่านั้นล่ะภูผาป่าไม้ที่แย่งรอมฟางที่ไหนไหนเป็นที่ภาวนา แต่ที่จะหาทางพ้นทุกจริงๆที่จะพ้นทุกในวัฏสงสารจริงๆถึงจะแดนถึงแดนพระนิพพานจริงๆมันอยู่นี่นะอยู่ตัวนามอยู่ที่นมามวธรรมตัวรู้โตหลงมันอยู่ที่นั่นแต่เดี๋ยวนี้มันหลงหลงอยู่กิเลสราคะโทสะโมหะมันยังหุ้มห่อจิตใจของเราอยู่เพราะเรายางกระเทาะออกไม่ได้ยังแก้ไม่ได้ ยังไม่บารมีของเรายังไม่พอที่จะทําร้ายทําลายจุดนี้ได้แต่เราก็ต้องประลองกันอยู่ตลอดเวลานประลองกันทดลองทดสอบทดลองแต่อีกสักวันหนึ่งมันรู้แจ้งเห็นจริงมันเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมามนโยนทิ้งตึงจะจบรู้แจ้งเห็นจริงแลจะไปยึดมันทําไมเบื่อหน่ายจิตใจของเราก็เป็น ่ความรู้ของเราเป็นอมพตธาตุอมพตธรรมเหนือจากสมมติทั้งหลายทั้งปวงเราพูดไม่ได้ว่าใจของเราเป็นยังไงในต่อไปจากนั้นไปเราพูดว่าเหมือนกับเราเรียนหนังสือตะก่อนเราโง่บันนี้เราฉลาดเรารู้ขึ้นมาแล้วอืเราจะไปหลงติดทําไมเราจะไปจากไปโง่อีกล่ะตะก่อนเราโง่เราเขียนไม่ออกอ่านไม่ได้เราไม่รู้แต่บัด น, นี้เรารู้แล้ว รู้แจ้งเห็นจริงเลยนี่แหละเามาลูมันอยู่ที่ไหนไม่ใช่ดินฟ้าอากาศมันอยู่ตัวที่โง่นั่นโง่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจกิเลสอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจความบริสุทธิ์หยุดพ้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจฮเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือมันอยู่ในที่แหล่งเดียวกันธรรมกับอธรรมอธรรมกับธรรมความบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์มันอยู่ในที่เดียวกันฮ พะนธุ์คอยพวกเราทุกๆท่านนะศึกษาธรรมะนี่เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งมากในหลักของพระพุทธศาสนาเป็นธรรมะสุดยอดที่จะทำลายพบชาติเป็นอยู่ในจุดนี้นะาการการพูดการแสดงก็เห็นมาสงควรกับการเวลาขอยุตเอีาวรังภาวนาตัวนี่นีอนะ